แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธวชนทั้งหลายสืบต่อไปในกลุ่มของธรรมานุปัสสนาสติปทานคือการตั้งสติตามระลึกถึงธรรมะซึ่งเป็นหนึ่งในสติปทานสูตรนั้นพระพุ้มีรพรภาคเจ้าได้ทรง สรุปรวมเอาธรรมะทั้ง3ากลุ่มมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายกลุ่มแรกที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือกลุ่มของนิวรณ์ทั้ง5ประการจะเป็น ก, การศึกษาในลักษณะที่ตามระลึกรู้จิตอยู่ทุกขณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนิวรณ์ทั้ง5ประการก็ได้คนหนึ่ง ให้ดูทั้งอาการของนิวรณที่ปรากฏในขณะนั้นัน้นเหตุเกิดของนิวรณที่ยังไม่เกิดการสงบนิวรณที่ยังไม่สงบและการตัดขาดนิวรณ์ออกไปจากจิตใจอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มของขันทั้งห้าประการซึ่งวนนี้เพิ่งสังเกตว่า ในแง่ของธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงไว้หรือแม้แต่โลกทั้งปวงก็ตามบางครั้งท่านสรุปไว้แค่ขันธ์ทั้งหประการเท่านั้นเองและในขันธ์ทั้งหประการนั้นบางครั้งก็สรุปไปแค่นา ม, มารูปหรือกายกับจิตหรือรูปกับนามแล้วแต่ผู้หานที่จะทรงใช้ในกรณีนั้นๆแม้แต่บรรดาสัรพความทุกข์ทั้งหลาย ที่ทรงจําแนกแสดงเอาไว้และมีการสวดสาธยายกันสถาบันชนทัน้งหลายก็ยจะพบว่าในตอนสุดท้ายนั้นได้ทรงสรุปไว้ว่าเมื่อกราวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5ประการนั่นเองเป็นความทุกข์ซึ่งหมายว่าความทุกข์นอกจากเป็นผลจากสมุทัยแล้วยังเป็นผลที่มาจากการบุปาฐาน เพราะอะไพระว่ารูปเป็นนั้นมากที่แม้เราจะมีสมุทยัยคือมีกิเลสอยู่แต่พอดีรูปนั้นเราไม่จะยึดไม่จะติดอะไรรูปนั้นก็จะไม่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราพยายามที่รูปตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านดีหรือด้านไม่ดี ถึงตามปกติแล้วถ้าจิตไปกำหนดยึด ต, ติดเอาไว้ก็จะมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของรูปหล่านั้นแต่เมื่อใจไม่ได้ยึดติดสำหรับเราแล้วในกรณีนั้นนั้นรูปก็คือสักแต่รปรุแม้แต่เสียงกลิ่นรถก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นคำสอนระดับของการศึกษา การพินิษฐพิจารณาในแง่ของกรรมฐานจะมีการสอนในรูปของการสืบสาวถึงเหตุที่ไปที่มาของขันทั้งห้าแต่ละอย่างแต่พึงเข้าใจว่าขันทั้งห้านั้นแม้จะจำแนกเป็นห้ามันก็รูปเป็นสอนคือส่วนรูปประขันก็คือรูปเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกาย ส่วนนามขันก็คือนามหรือจิตเพียงแต่จำแนกแสดงแยกออกไปตามอาการของจิตในแต่ละขณะตอนนั้นเองเวทนาก็คือจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์หรือรับรู้อารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์บ้างความสุขบ้างหรือสภาพที่เป็นกลางๆบ้างสัญญาก็คืองานอันหนึ่งของจิตที่ทำหน้าที่จำอารมณ์ ซึ่งผ่านมาทางภาษาสัพพะแล้เก็บสะสมไว้ภายในใจเรเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความจำสังขารก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพญากตะธรรมซึ่งเป็นนามธรรมส่วนหนึ่งที่ท่านเรียกร่มรวมว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตทำจิตของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงแปรผันไป ในกรณีนี้เพื่นสังเกตว่าจิตนั้นจะเหมือนกับน้ำซึ่งโดยสภาพแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรแต่น้ำก็ถูกให้เปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งด้านสีและด้านกลิ่นโดยสิ่งซึ่งเจือปนมาจากข้างนอกแต่เนื่องจากสีและกลิ่นเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของน้ำจนถึงจุดหนึ่งบุคคลสามารถสำรอกสีและกลิ่นออกจากน้า ใหกลายเป็นน้ําที่บริสุทธิ์หมดจดได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกิเลสกับจิตนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกิเลสเป็นเพียงอาคารถุกะที่จรเข้ามาเกิดภายในจิตถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตของเราในแต่ละขณะที่สัมผัสอารมณ์ซึ่งจะสิ่งสังเกตได้ว่าความรู้สึกของเราไม่ได้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปกับการกำหนดอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจ า, จากสิ่งที่ปรุงจิตในแต่ละขณะแม้แต่ในอารมณ์ที่เคยรักแต่อีกขณะหนึ่งก็อาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความจริงช่างเครียดแค้นก็ได้อารมณ์ที่เคยเป็นที่ตั้งของความเครียดแค้นจริงช่งก็อาจจะกลายเป็นอารมณ์ที่เฉยเๆหรืออารมณ์เป็นที่รักก็ได้ แสดงว่ามีสิ่งปรุงแต่งมาจากภายในด้วยใจที่เป็นกําหนดอารมณ์ซึ่งเราสัมผัสมาจากภายนอกแต่ตัวอารมณ์เหล่า น, นั้นเองบางครั้งก็เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจยัยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลได้กรนีผู้สังเกตว่าในชีวิตประจําวันของเราในบางากรณ์ลูกหลานอาจจะทําให้เหมาะไม่ควรต้องการจะลงโทษ ถึงมันเดินไปเพื่อต้องการจะลงโทษเธอนั้นเธอทำหน้าตาละค่อยแสดงความสำนึกผิดเดี๋ยวขอเขมาโทษความคิดเดิมมันก็ถูกตัดรอนลงไปแต่ที่จะลงโทษจนถึงก็ลงไม้ลงมือก็อาจจะเพียงแต่ตักเตือนว่ากล่าวหรืออาจจะไม่ตักเตือนไปเลยก็ได้หรือให้อาภัยไปเลยก็ได้แสดงอารมณ์ข้างนอกมันสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อเจตสิกที่เกิดขึ้นในภายใน แม้จะเริ่มต้นมาเป็นโทสะแล้วก็ถูกสลายได้ด้วยเงื่อนไขจากภายนอกแต่วงเงื่อนไขในภายในมีคุณธรรมอยู่ภายในใจสูงแล้วก็จะตัดได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วย <c oughs> ในส่วนของวิญญาณขันที่ท่านเรียกว่าขันในแต่ละข้อนั้นคือกองหรือกลุ่มหรือหมวดเพราะจริงๆไม่ได้มีอย่างเดียวมันมีอยู่เป็นนันมากเหลือเกิน ท่าก็เรียก ร, มรวมๆคล้ายๆก็เอามาขอรวมกันเราก็เรียกว่ากองกองวิญญาณก็คือจิตที่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ซึ่ง ผ, ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราพลังทางเกิดของวิญญาณหรือเหตุให้เกิดวิญญาณนั้นจึงมีอยู่เพียงหกทางเท่านั้นเองและท่านจะเรียกชื่อวิญญาณเหล่านั้นตามประสาทสัมผัสที่ไปกระทบอารมณ์ในขณะนั้นๆ เจริจักขุวิญญาณก็ความรู้ทางตาหมายถึงรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิน่นทางจมกูกรู้รสทางลิน้นรู้เย็นรอน้อนอดแข็งทางกายตัวธรรมอารมณ์นั้นจะทำหน้าที่กำหนดอารมณ์แล้วก็เก็บระรมณ์เพราะอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์ก็ที่จริงก็คือความจำที่เราเก็บสะสมไว้ เมื่ออารมณ์ล่านั้นผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราเรากเก็บสะสมไว้เราก็นํามันเหนียบนึกเราก็เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าธรรม า, ารมณ์ตัวรับรู้อารมณ์จากข้างนอกจริงๆจึ ง, จ ง, จงมักพูดถ้าข้อแรกคือตาหูจมูกตินกายสนใจนั้นเป็นที่ไหลผ่านเป็นที่รวมของกระแสอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหาประการเท่านั้นในส่วนของรูป จึงทรงสอนในบุคคลศึกษาพินิจพิจารณานั้นจะสอนสามช่วงใหญ่ๆด้วยกันจงแรบก็คือให้ดูรูปจะเป็นรูปอะไรก็ได้รูปภายในก็ได้รูปภายนอกก็ได้เพราะทั้งสองรูปนั้นเป็นที่ตั้งของความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่งหลงความบวมเมาด้วยกันแล้วก็อาจจะเป็นที่ตั้งของธรรมะของมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกัน เพรา ะ, ะรเลยพระบารปมันก็เป็นตัวกลางๆเท่านั้นเเมื่อเป็นกลางๆอะไรเป็นกลางๆเมื่อสังเกตว่าเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เปลี่ยนแปลงให้ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงให้ไม่ดีก็ได้หรือว่าอยู่ในสภาพเดิมคือเป็นกลางๆอยู่ก็ได้รูปนั้นที่ปรากฏแก่ prasat sapad ของเราทั้งห้าประการแต่บรนตอนเต้นเต็ม ตนต้นๆจะไม่ดูละเอียดลึกซึ้งขนาดนั้นแต่าการคิดพินิจพิจารณาระดับนั้นมันก็ดูได้ยากจึงสอนให้มองดูรูปซึ่งเป็นเหตุได้เกิดกับนักกัดเครื่องนั่นเองกรนีไปสังเกตว่าการกําหนดอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความกําหนัดแด้ความกัดเคืองนั้นจะมีการกําหนดอยู่สองแนวเนวหนึ่งที่ทรงใช้คําว่า ถือโดยนิมิตคือรวบถือเป็นชิ้นเป็นนันเป็นคนเป็นรุ่นเป็นคันเป็นสิ่งเป็นหลังเป็นต้นแล้วแต่จะกาหนดอารมณ์อะไรจะกาหนดด้วยอานาจของความใคร่ก็กาหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเช่นโคดนั้นสัตว์นั้นบ้านนั้นรถนั้นเป็นสิ่งหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจ แต่บางครั้งใจไม่ถึงกับไปชอบหมดอย่างนั้นโดยชอบส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นของรูปเหล่านั้นซึ่งกําหนดคนก็อาจจะกําหนดอวัยวะบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นที่ใคร่ที่ปรารถนาที่น่าน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจกําหนดบ้านกําหนดที่ดินกําหนดเรือ่องสวนได้นากําหนดรถเรือนอะไรตไระหนกมีลักษณะจะเดียวกัน คือไปพอใจในบางส่วนหรืออาจจะหลายๆส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่พอใจไม่ชอบใจรือแม้แต่อาหารซึ่งเป็นรูปที่ผ่านมาทางลิ้นหรือผ่านมาทางตาด้วยทางลิ้นด้วยทางจมูกด้วยเพิ่งสังเกตว่าบางครั้งเราก็ชอบแต่มีบางส่วนที่เราไม่ชอบเราอาจจะชอบสีชอบกลิ่นแล้วแต่ไม่ชอบรสก็มีการเติมรสลงไป หรือบางครีบางทีอาจจะไม่ชอบสีก็อาจจะตกแต่งสีลงไปเพื่อเกิดเป็นที่พอใจเป็นต้นการถือโดยวิธีนี้ทรงใช้คำว่าการถือโดยอนุพยัญชน ะ, นะคือแยกถือกําหนดอส่วนหนึ่งพอใจส่วนหนึ่งไม่พอใจก็แล้วแตว่าส่วนใดจะมากหรือส่วนใดจะน้อยซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นการกํำหนดในแนวให้เกิดกิเลส ด, ด้วยกันทั้งนั้น ตอนนั้นก็สอนให้มองดูรูปหลอนั้นเป็นการมองในตอนแรกก็มองดูรูปเพื่อให้จิตสงบอยู่ที่รูปตลอนนั้นแต่การมองเพื่อให้จิตสงบนั้นดังที่เคยกล่าวมาในส่วนข้ออื่นๆตัวรูปนั้นจะต้องไม่ไวต่อกิเลสท่านจึงไม่สอนให้ดูรูปที่น่าคล่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือรูปที่ไม่น่าคล่ยมานับคือรูปที่เรารักโรยชังอยู่มากๆนั้นท่านไม่ให้ดู เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าไปดูรูปที่เรารักเราชังไอ้กิเลสมันจะท่วมทับใจสติปัญญาที่จะใช้พิจารณาระดึกรู้รูปตามอาการที่เป็นจริงมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะใจมันแกว่งไปสู่อานาจของกิเลสไปแล้วส่วนมากจะดูรูปซึ่งมีความโน้มเอียงไปในทางที่ให้เรามองเห็นกระบวนการเหล่านั้นได้ คนนี้ไปสังเกตตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ที่ไปดูรูปคนแก่คนเจ็บคนตายเพระรูปในลักษณะนั้นไม่เป็นที่ไม่ใกล้ต่อความกำหนัดและไม่ใกล้ต่อความขัดคืงสามารถที่จะมองเพ่งพินิดดูรูปเหล่านั้นแล้วก็น้อมหาเราน้อมเราไปหารูปโดดนั้นน้อมรูปโดดนั้นไปหาคนอื่นสัตว์อื่นน้อมรูปคนอื่นสัตว์อื่นมาหารูปโดดนั้นได้ พ ว, พวกอารมณ์ของกรรมาฐานจึงไม่ให้ไวต่อกิเลสหรือไม่ให้ใกล้ต่อกิเลสแต่ใกล้ต่อธรรมะได้เท่าไรก็ดีทําไมจึงไม่ให้ใกล้กิเลสเพราะาใจิตใจเรากิเลสมีเยอะอยู่แล้วจะได้น้ําหนักเพิ่มเราก็สู้มันไม่ได้ตัวอารมณ์ที่กําหนดระลึกจึงต้องใกล้ต่อธรรมะหรือว่าใกล้ต่อความเป็นกลางกลางสภาพที่จะเห็นวิปริณามธรรมคือความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนปรากฏได้ชัดเจน ทัยานก็จะสอนให้ดูรูปในดักตนัท น, นั้นรูปนี้แท้จริงแล้วได้ทรงแสดงว่าร่างกายของบุคคลแต่ละคนนั้นมีส่วนประกอบของโครงกระดูกเกือบสามร้อยท่อนมาเกาะกลุ่มกันครับแล้วรึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นจาบทาไว้ด้วยเลือดด้วยเนื้อแล้วก็คุ้มไว้ด้วยหนัง ดูแลไม่มีอะไรคือปอกออกไปทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเลยดึงหนังออกก็เจอเนื้อดึงเนื้อก็เจอกระดูกดึงเจอเอ็นเจอกระดูกเจอตับไตเส้นผูกต่างๆยิ่งดึงยิ่ ง, งไม่มีอะไรแต่กลับเป็นที่ตั้งของความกำหนัดรักคขย้ยินดีมีการยื้อแย่งมีการต่อสู้ปราดปรา่อกันเพื่อได้มาแล้วก็ครอบครองรูปรล่อนั้นทั้งๆที่ เป็นการครอบครองก็แม้จะครอบครองก็ครอบครองได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจบลงทั้งผู้ครอบครองและสิ่งที่ถูกครอบครองจอะต้องแยกออกจากกันตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือสภาวะที่เป็นจริงของชีวิตแต่ประจิตของบุคคลุกคุ่มขอไว้ด้วยอวิชชาคือความมืดบอดใ น, นด้านการใช้เหตุผลสติปัญญา ไม่เข้าใจสิ่งเราดันตามสภาพที่แท้จริงเพราะนั้นก็ทรงสอนในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นทรงสอนแนวอภิณหานปจะเวทขณะที่คุ้นเคยกันก็สอนในลักษณะนึ่งสอนในรูปที่ปรากฏในขณะนั้นๆแต่ว่าเน้นที่ตัวของเราเองเพือแม้เกิดความประมาทเช่นเดียวกันสำหรับในที่นี้ทรงสอนว่านี้คือรูป นี่คือเหตุเกิดของรูปรูปในความหมายของอารมณ์กรรมฐานหรือความหมายของธรรมะนั้นจะต้อหมายถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงเย็นร้อนอ้อนแข็งหมายความทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยจีนและถูกต้องโดยกายนั้นสรุปรวมเรียกว่ารูปรูปแต่และอย่างนั้นใช่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่ตอนต้นจะมองในรูปหยาบคือรูปที่สมัติสามารถสัมผัสจับต้องได้คือเห็นด้วยตาจับต้องมีความเคลื่อนไหวได้รูปเรื่างนี้จะมีอิทธิพลต่อจิตใจของบุคคลถูมากเมื่อดูรูปประชักประจักษ์ชัดแจ้งแก่ใจของตนเองแล้วต่อไปก็เริ่มพิจารณา แล้วทำไมรูปนี้จึงเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเพลิดเพลินดีแท้จริงแล้วรูปเหล่านี้คืออะไรก็สืบสาวไปในลักษณะว่ามาจากไหนเป็นการสาวถึงเหตุอีกทีหนึ่งว่ามาจากไหนก็จะพบว่าที่จริงแล้วรูปนี้เดิมดีก็ไม่มีมันเป็นอภภาวะคือเริ่มจากความไม่มีอะไรได้ และในที่สุดก็มีการเกาะกลุ่มกันของเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรู ป, ปรธรรมและนามธรรมเพราะในส่วนของความเป็นรูปแต่ละรูปคือคนแต่ละคนหรือสัตว์แต่ละตัวมั่นคือกองของรู ป, ปรธรรมนามธรรมา ท, นะที่กล่าวไว้แล้วในตอนตอน้นแต่ว่าแท้จริงเดิมทีเดียวนั้นรู ป, ปรธรรมนามธรรมามันแยกออกจากกัน เมื่อเข้ามาประกอบกันมาประชุมกันเป็นสัตว์เป็นสว่วนมันก็กลายเป็นรูปขึ้นมาตามแนวของปัจกิริยาที่เราออกจากคุ้นเคยกับพอสมควรนั้นเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วอวิชามันก็ต่างหักออกไปสังขารมันก็ต่างหักออกไปวิญญาณมันก็ต่างหักออกไปแต่เมื่อพวกสิ่งทั้งสามระการนี้มาเกาะคุมประชุมกันจางมีสัดส่วนได้มันก็กลายเป็นนามารูปขึ้นมา นามรูปที่ก่อเกิดในครั้งแรกมันก็เล็กนิดเดียวแต่ในที่สุดเมื่ออาศัยเงื่อนไขอาศัยเหตุปัจจัยสายการเวลาเข้ามาประกอบประชุมกันเข้ารูปเหล่านั้นก็จะเดินเติบโตขึ้นไปโดยดําดับมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของรูปเองไปตามการเวลาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของชีวิต ถึงอาจะมองทางสายของชีวะวิทยาก็ได้มองทางสายของธรรมะก็ได้ก็เป็นการเน้นในควรละสายท่านนั้นเองแตจริงแล้วเป็นการพูดเรื่องเดียวกันเลาวก็ทรงสอนให้สืบสาวถึงรูปว่ารูปวันนี้ที่จริงเมื่อก่อนมันไม่มีอาการหลังนี้ก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีไม่มีอะไรมี เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยมีเงื่อนไขให้มีแกก็มีตำรองที่สอนนั้นพูะเจ้าเนื่องจากประทับอยู่ในป่ามากๆปรมักจะเอาต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้มือที่สุดมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนในการสื่อให้เกิดความเข้าใจ จะเอาปรากฏการณ์ของธรรมชาติฝนตกแดดออกตั้งหลายท่าเราจะเห็นว่าที่จริงเช่นเราดูฝนกำลังตกที่จริงเมื่อก่อนมันไม่ตกกแสดงเมื่อก่อนฝนมันไม่มีแต่ทำไมาจึงตกมันก็มีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยให้ตกแดดออกก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นรูป A มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะจริงฝนตกแดดออกมัคือรูปอย่างหนึ่งโดยทรงสอนให้สืบสาวไปถึงที่มาของรูปรูปนั้นก็คือพวก เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทยัยธาตกล่าวในอริยสัจมันก็อยู่ในลักษณะนั้นเพราะในที่นี้ทรงแสดงว่าเมื่อก่อนรูปไม่มีแต่อาศัยปัจจัยเข้ามาประชุมกันสองกลุ่มคือวิชาตนาอุปาทานและก็กรรมประกอบกับอาหารเป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุน การเกิดของรูปก็มีขึ้นท่านจะเห็นว่าทั้งสมทั้งห้าประการนั้นคือวิชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารก็มีส่วนที่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวคืออาหารอาวิชาก็เป็นนามธรรมตัณหาก็เป็นนามธรรมอุปาทานก็เป็นนามธรรมแต่แม้ตัวกรรมเองมันก็เป็นนามธรรม แต่ได้อาหารคือสร้างเป็นวิญญาณอาหารถ้าเรามองในแง่ให้เกิดความเข้าใจว่าการปฏิสนธิครั้งแรกในกำเนิดอะไรก็ได้ในปฏิจจสมุปานั้นได้พูดถึงอวิชาตันหาวิญญาณแต่ในที่นี้พูดว่าอาวิชาตนาอุปาทานกรรมและอาหารฟังแล้วคล้ายๆจะเป็นคนเรื่องกัน ที่จริงแล้วเป็นโบหารในการเทศเป็นการกล่าวถึงเรื่องเดียวกันอวิชชาตันหาอุปาทานนั้นก็คืออวิชชาก็คือกิเลสกรรมก็คือสังขารที่เป็นบุญเป็นบาปที่ท่านเรียกว่าเป็นอเนจชาคือผลจากการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตที่บรรลุ ถ, ถึงระดับของอรูปฌาน สองประการนี้สร้างตัวอาหารชนิดหนึ่งขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าบิญญาณอาหารอาหารคือบิญญาณทำให้นําให้ไปปฏิสนธิขึ้นมาเป็นกระบวนการของชีวิตตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในปัจจัยการประเนตปัจจัยแต่ละเหตุปัจจัยนั้นที่จริงเขาก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ในยอหนึ่งอวิชานั่นคืออะไร อวิชชาเป็นรากง้าวเป็นโคดของสรรพกิเลส ท, ทั้งหลายเป็นรากใหญ่ที่สุดของกิเลส ท, ทั้งวปวงพรันท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องกา ร, รปฏิบัติของพระองค์แจะแสดงผลการรพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทในสมัยนั้นเหตุเกิดของปัญหาสารพัดนั้นมาจากอาวิชชา เรานั้นจะเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอุปาทานเรียกว่ากิเลสเรียกว่าอะไรก็ชื่อนั้นเรียกได้มากมายไก่ก่อนแต่ชื่อนั้นที่จริงแล้วจะอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสื่อให้เรามองเห็นเป็นรูปธรรมได้เพราะจริงๆตัวเขาเป็นนามธรรมาจนบางครั้งทรงเรียกว่าอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองหมักหมมมีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแล้วก็โสกรปรกเปืเปื้อนเราพนาดจะหน้าต่างนา บางอย่างเรียกวกันถาเรียกว่าเครื่องร้อยรัดเรียกว่าโยคะเปีว่ากรงขังสัตว์เอาไว้เรียกว่าโยสังโยชเรียกว่าผูกมัดเอาไว้แล้วความว่าสิ่งที่ผูกมัดก็ดีขังก็ดีร้อยรัดก็ดีหรือว่าหมักหมมก็ดีนั่นเป็นรูปธรรมแต่ที่จริงแล้วเขาใช้เป็นสื่อเพื่อเรียนรู้ตัวนามธรรมได้แก่พวกที่แตกกิ่งก้านสาขามาจากอวิชาต่เนี่ เวลากล่าวถึงผลสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติอย่างการศัสรู้ของพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงการพัฒนาพระไทยของพระองค์เป็นการพลิกด้านหนึ่งขึ้นมาคือด้านของกุศลธรรแลวทรงแสดงบวิชาบังเกิดขึ้นอวิชาดับไปวิชาบังเกิดขึ้นอวิชาดับไปในแต่ละจุด เหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปภาพเหล่านี้เรามองเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนว่ามันเหมือนกับเรานําดวงเชียนไปปักไว้ในแต่ละจุดของที่มืดปักต่อกันไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลวเชียนได้ถูกจุดขึ้นมานั้นนอกจากแกจะทำตัวเองให้สว่างแล้วก็ยังขจัดความมืดได้ด้วย ปัญญาปัญญาวิชาต่างๆที่ทรงใช้วารคในการเรียกก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อก็เกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดตัวอวิชาหรือสับปกิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นไปด้วยอวิชานั้นเรามักแปลว่าความไม่รู้แต่ถ้าดูโดยเนื้อหาสาระและมะติที่พระตถาอาจารย์ท่านแปลนั้นน่าจะได้ความดีกว่าคือท่านแปลว่ารู้ไม่จริง เราปฏิเสธการไม่รู้ไม่ได้เพราะจริงๆเราก็รู้อะไรเป็นอะไรเป็นการรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้วยการทรงจาําโดยอาศัยประสบการณ์เราก็รู้ว่านั่นเป็นคนนั่นเป็นสนสัตว์นั่นเป็นคนแก่นั่นเป็นศพนั่นเป็นอะไรก็รู้กันอยู่แต่ก็รู้ไม่จริงเพราะอะไรเพราะความรู้ในความหมายตามพระพุทธศาสนานั้นมีเงื่อนไขที่บ่งชัดไว้ พราคําว่ารู้ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องขจัดความไม่รู้ได้การวิสูจน์ยืนยันของขจัดความไม่รู้ได้นั้นความโลภความโกรธความหลงต้องลดลงไปทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของความไม่รู้เป็นการแตกกิ่งมาจากอวิจชาตินั้นเองและแม้จะมีเรียกชื่ออย่างอื่นก็เป็นเช่นนั้น ปัญญาจใดที่รู้โดยการศึกษาเล้วเรียนจากตำหนักตำราจากวิชาการต่างๆหรือไม่แต่จะได้ปริญญาสูงๆยังไงก็ตามแต่ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นโลภะมันเกิดขึ้นมานักความถือตัวเกิดขึ้นทิฏฐิความกระด้างในด้านความคิดความเห็นเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยมีแต่พอเราได้ปริญญาในชั้นนั้นกิเลสตัวนี้มีขึ้น มาณว่าเราปรัญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกก็เกิดขึ้นทิฏฐิความถือรันว่าเราเป็นปัญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกก็เกิดขึ้นโลภะที่จะตีค่าตัวเองตีต่ามเงินเดือนของตัวเองตามบุตรหรือตามปริญญาที่เราได้มาก็เกิดขึ้นคือแสดงเห็นว่าเรามองย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่เราเป็นเด็กปฐมเด็กมัธยมกิเลสพวกนี้ยังไม่เกิดมันเพิ่งเกิดเมื่อเราได้ปิญญามาแล้ว ซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าการศึกษาในประเภทเหล่านั้นท่านจึงไม่ถือว่าเป็นวิชาท่านแสดงว่าเป็นศินละปะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างสถานะของตัวเองให้มีความมั่นคงขึ้นมาเท่านั้นส่วนจะสแสวงหาทรัพย์ในทางกุศลหรืออกุศลนั้นเป็นเรื่องอีกช่วงหนึ่งเป็นเรื่องของขณะจิตที่ประกอบอาชีพในแต่ละขณะว่าถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศล อภิชาท่านจำแนกเอาไว้ตามปกติแล้วจะจำแนกเป็น8ประการแต่ไม่ควรติดใจในจำนวนเพราะจำนวนนั้นอาจจะพูดมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าจากการพบมาก็ไม่เกิน8ประการแล้วก็สูงแสดงไว้สองหมวดใ ห, ใหญ่ๆแต่หมวดที่เป็นหลักจริงๆก็คือหมวดความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ี่ประการก็รวมเป็นสความไม่รู้ในอดีต เราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรชาติก่อนมีจริงไหมอะไรอะไรเนี่ยเป็นอวิชาทั้งนั้นความไม่รู้ในอนาคตหรือรู้ไม่จริงในอนาคตมันก็พอเข้าใจอะไรอยู่พอสมควรในเรื่องอนาคตแต่มีความรู้ต่างๆอีกเป็นนั้นมากที่เรายังไม่รู้ ต่อไปเราจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าเราจะไม่เกิดถ้าเราเกิดเราจะเกิดเป็นอะไรเรจะมีสุขมีทุกข์อย่างไรชาติหน้ามีจริงหรือไม่สำนักนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นต้นเป็นอาการของวิชาทั้งนั้นไม่รู้รทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ในกฎของปัิจยการหรือกฎของเหตุผลที่เป็นปฏิกิริยาต่อตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งมีอยู่ก่อนการสัตรู้ของโภเดจา อวิชชาจึงกลายเป็นรากเงาวของกิเลสและเป็นเหตุให้เกิดรูปเกิดนามขึ้นมาในรักษาต่างๆซึ่งถ้าหากว่าบุคคลได้ขจัดอวิชชาเหล่านั้นดรืยวันธรวิชาเบาบบางลงไปความรู้ความเข้าใจจนมีการล ด, ดละก็จะบังเกิดขึ้นภายในชีวิตจิตใจของบุคคลเหล่านั้นตามสงควรแก่กา ร, รปฏิบัติ แต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป